วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบพฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพืชมงคลเป็นวันหยุดของทางราชการแต่ทางเอกชนไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นบางท่านถ้ารับราชการก็จะมีวันหยุดก็จะได้มีเวลา มาวัดมาทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความเพียรคือดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีการความเพียรไม่มีการกระทาไม่มีการปฏิบัติต่อให้ศึกษามากน้อยเพียงไรก็ตา ม, มการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยก<ม>ารที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เพียรปฏิบัติอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้เพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมาข้อสองให้เพียรรักษาบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นมาแล้ว ให้คงอยู่ต่อไปข้อที่สามให้เพียรละบาปอากุศนทั้งหลายให้หมดไปจากใจข้อสี่ให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือลักษณะของการทำความเพียร เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องเกิดจากการมีความเพียรสร้างบุญสร้างกุศลมีความเพียรรักษาบุญกุศลที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไปแล้วก็มีการเพียรละการกระทําบาปอากุศลทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็เพียรรักษา ไม่ให้บาปอคุลที่ได้กาจัดไปแล้วหวนกลับคืนมาอีกถ้าสามารถปฏิบัติในลักษณะที่พูะเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ได้<ม>การหลุดพ้นจากความทุกข์ย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นสำหรับท่านที่ปรารถนาที่จะต้องการกาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจก็จำเป็นที่จะต้องมีความเพียรปฏิบัติความเพียรปฏิบัตินี่แหละที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ปฏิบัติผู้อื่นปฏิบัติแทนไม่ได้เรื่องของการปฏิบัตินี่เหมือนกับการรับประทานอาหาร คนอืรับประทานอาหารแทนไม่ได้เราต้องกินอาหารเองถ้าเราต้องการกำจัดความหิวของร่างกายที่เกิดจากการขาดอาหารให้คนอื่นเขากินแทนเรานั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้ความหิวทางร่างกายของเราหายไปได้เราต้องเป็นผู้รับประทานอาหารเอง ถึงจะทำให้ความหิวของร่างกายของเรานี้หายไปได้นี่คือความหมายของอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนส่วนความหมายที่เราถือพระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ นั้นที่พึ่งอันนี้หมายถึงพึ่งคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกเ mm hmm. พราะถ้าเราไม่มีคำสั่งคำสอน mm hmm. เช่นการกระทำความเพียรสี่ลักษณะนี้ mm hmm. เราก็จะไม่รู้วิธีการทำความเพียรที่ถูกต้องว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ ความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องพึ่งคนที่ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสารทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีการกำจัดความทุกข์เบื้องต้นก็ ศึกษาด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าส่งบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นไม่มีใครรู้วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ร0 0เอร์เซ็์พระองค์ก็เลยต้องส่งศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างร้อยเปอร์เซนต์ได้ด้วยตนเองจึงตัดสืุเป็นพระอาหารหันตะสั ม, มามพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากการปฏิบัตินี้มาสอนให้แก่ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นสาณะเป็นครูเป็นอาจารย์พอถือพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนามาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจานวนมากมากายกองแล้วก็ สามารถทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ยังตกอยู่ในความทุกข์อยู่ได้อันก็เลยเป็นสารณะที่พึ่งอันที่สามอันที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าอันที่สองก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อันที่สามก็คือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้านี่คือศาณะที่พึ่งของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้ให้คำสั่งสอนถ้าไปศึกษาไปเรียนรู้จากผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเช่น mm hmm. ถ้าไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาของทางโลก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นระดับที่หนึ่งของโลกระดับต้นๆของโลก mm hmm. ที่มีอยู่ในต่างประเทศ mm hmm. ระดับปริญญาเอกก็ตาม mm hmm. ถ้าไปศึกษาไปเรียนจากสถาบันเหล่านี้แล้ว ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะสถาบันเหล่านี้เขาไม่มีความรู้ไม่มีวิชาของการดับทุกข์นั่นเองเพราะผู้ที่สอนก็ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ปฏิบัติวิธีการดับทุกข์ mm. ก็เลยไม่มีความสามารถที่จะสอนวิชาดับทุกข์ให้กับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ สอนได้แต่วิชาที่จะทําให้สร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะวิชาความรู้ทางโลก<ม>ก็มีไว้เพื่อตอบสนองตันหากิเลสตันหาความอยากในโลกธรรมนั่นเองความอยากได้โลกธรรมความอยากจเจริญในโลกธรรมทั้งสี่ก็คือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย ถ้าไปศึกษาจากธรรมะเหล่านี้แล้วก็จะได้ความเจริญทางลาบยศสระเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปพร้อมๆกับความทุกข์ที่จะตามมาเพราะว่าลาบยศสระเสริญสุขนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมีเจริญก็ต้องมีวันเสื่อมไปเป็นธรรมดามี จริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามีเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ต้องมีดินทาเป็นธรรมดามีสุขกับรูปเสียงกิริยลดโพธิภาพก็จะต้องเจอกับความทุกข์จากรูปเสียงกิ่นยลดโพธิภาพดังนั้นสถาบันต่างๆในโลก ที่สั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆนี้ล้วนเป็นวิชาความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจท่านเองไม่ได้ส่งเสริมให้ความทุกข์ภายในใจนี้หมดสิ้นไปแต่อย่างใดเลยอาจจะส่งเสริมการกําจัดความทุกข์ทางร่างกายได้อยู่เพราะร่างกายนี้ยังต้องอาศัยราบยะะศชลสนุข ต้องอาศัยเงินอาศัยทองเพื่อที่จะได้ไปซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายที่จำเป็นต่อาการบำบัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายต้องมีเงินซื้ออาหารไว้รับประทานซื้อเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝน แล้วก็ซื้ อ, อยารักษาโรคหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้เงินทองนี้ก็ใช้ประโยชน์ในทางดับทุกข์ทางร่างกายได้แต่เงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ถ้ดับความทุกข์ทางใจได้พวกที่เป็นเศรษฐีนี้ป่านี้ก็จะต้องไม่ต้องมีความทุกข์กันแล้ว จะต้องอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆแต่เงินทองนี่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้แล้วก็กลายเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับใจมากขึ้นไปอีก เพราะเงินทองก็เป็นของไม่แน่นอนเวลามีก็ให้ความสุขได้แต่เวลาขาดแคลนขึ้นมาเวลาไม่พอใช้ขึ้นมาเงินทองก็กลายเป็นตัวที่ทำให้เครียดได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องไปศึกษาจากผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์รู้ตัวแทนเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้า ซึ่งตอนนี้พระ อ, องค์ก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องศึกษาจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกเก็บไว้ในพระธรรมปีพระไตรปิฎกนี่เองศึกษาจากพระคัมภีศึกษาพระสูตรต่างๆเช่นธาารรมจักรปวัตนสูตรอนัตตลกนสูตรอาทิตตริยายาสูตร จิตป่าฐานสูตรและมงคลลสูตร <Yeah. S 1> ถ้าต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ศึกษาพระสูตรห้าพระสูตรนี้ <Yeah. S 1> ก็จะได้เห็นแนวทางรู้จักแนวทางของการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> หรือจะไปศึกษาจากพ <Yeah. S 1> ระอรหันตสาวกหรือพระอาริยสงสาวกก็ได้ แต่การที่จะไปศึกษาจากพระต่างๆที่เราคิดว่าเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ยังไม่แน่นอนไม่แน่ใจว่าท่านเป็นจริงหรือไม่ถ้าอยากจะรู้ว่าท่านสอนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหรือไม่เราก็ควรจะศึกษาพระสูตรห้าพระสูตรนี้ไม่ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง สอนให้นําอาไปใช้ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆแล้วถ้าเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆที่เราคิดว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอาริยบุคคลเราก็จะได้ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าคําสอนของพระสุปฏิปันโนที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติด้วยนั้น ท่านสอนตามที่ผู้เจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่ mm hmm. หรือว่าท่านสอนไม่ตรงกับที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอน mm hmm. เราก็จะได้รู้ mm hmm. ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระสูตรเลย mm hmm. เวลาไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆ mm hmm. เราก็จะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ mm hmm. สอนตามแนวทางที่ผู้เจ้าทรง ส, งสอน ให้ปฏิบัติกันหรือไม่้ยนยังไงก็เราก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องถือกระธรเป็นสาระเป็นที่พึ่งก่อน <S <S เราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็จะได้มีมีของเปรียบเทียบของไว้เปรียบเทียบเหมือนกับเรามีทองคําทองแท้เก็บไว้สักแท่งหนึ่งนี้ แล้วเวลาเราไปหาซื้อทองใหม่เราก็จะได้เอาทองแท้กับทองปลอมมาเปรียบเทียบกันอยูซึ่งเราก็อาจจะสามารถรู้ได้ว่าเออทองนี้เป็นทองแท้หรือไม่ดัใในใ้นการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ต้องรู้วิธีดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือต้องนําออกไปปฏิบัติมีการปฏิบัติก็คือเรียกว่าการถือตนเป็นที่พึ่อนองนั่นเองเพราะตนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติแทนกันได้ ถ้ามีการปฏิบัติแทนกันได้<ม>ก็พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติให้กับพวกเรามานานแล้วมไม่ต้องเสียเวลามาเวียนไหวตายเกิด<ม>การจนถึงยุคนี้สมัยนี้<ม>พระพุทธเจ้าก็จะปฏิบัติทำแทนสัตว์โลก <c oughs> <c oughs> ที่เวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันทั้งหมดเลยจะได้สิ้นสุดการเวียนไหวตายเกิด อย่างสมบูรณ์แต่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ผู้ต้องการหลุดพ้นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองจะให้ผู้มาปฏิบัติแทนนี้ไม่สามารถทำได้ <S <S เราจึงมีสาระสองลักษณะด้วยกันมีที่พึ่งสองลักษณะด้วยกันที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจสาระอันแรกก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ ที่เรากล่าวถึงอยู่เรื่อยๆว่าพุทธังธรรมังสังฆังสระณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคําว่าขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือขอเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เพราะข้าพเจ้ายังไม่รู้จักวิธีของการดับทุกข์ว่าดับได้อย่างไร ถ้าจะปฏิบัติไปตามลำพังโดยไม่ไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. ก็เหมือนคนตาบอดคำทางแล้ว mm hmm. เดินไปไหนมาไหนต้องคำทางไป mm hmm. ถ้าเป็นคนตาบอด mm hmm. แล้วคำทางไปเองนี่โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตวเองต้องการจะไปนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย mm hmm. ต้องคำไปแล้วก็ต้องถามคนไปทั้ง คนตาบอดจะถ้าไปไหนคนเดียวนี้จะต้องคอยถามคนว่าเอ้ยตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วะจะไปตรงนั้นให้ไปทางไหนดีให้เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาหรือตรงไปดีต้องอาศัยคนตาดีบอกทางถ้าคนตาบอดไม่มีคนตาดีบอกทางหรือนาทางไปนี้จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเองต้องการไปได้ พวกเราผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้นนก็เปรียบเหมือนคนตาบอดดีๆนี่เองเรายัางไม่รู้จากการกระทำการปฏิบัติที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ <c oughs> ขอภัยก็เป็นเหมือนคนตาบอด ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>จากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระไตรปิฎกก็ดีหรือจากพระอริยสงสารกก็ดี<ม>เราจะไม่มีวันที่จะรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เลยแล้วเราก็จะหลงทางไปเรื่อยปฏิบัติไปกี่พบกี่ชาติ ก็อย่าไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เลยเ<ม>พราะเราไม่มีผู้ที่รู้เป็นผู้ที่บอกเราบอกทางให้กับเรานั่นเองดัง<ม>นั้นเราจึงต้องมีสารณะทั้งสองส่วนด้วยกันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนคอยบอกวิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ เมื่อได้เรียนรู้แล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะไปจ้างคนอื่นมาปฏิบัติไม่ได้อย่างสมัยนี้เคยมีข่าวว่าคนอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้ก็เลยไปจ้างคนอื่นให้บวชให้อันนี้จ้างได้แต่คนที่ได้บุญได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือคนที่บวชคนที่จ้างนี้ไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้บุญ อาจจะได้บุญก็เพียงแต่บุญในระดับทานเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถใช้บุญระดับทานนี้ให้โดยพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องบวช ด, ด้วยตนเองต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างพระิุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติอยู่สี่อย่าง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นมาสองให้รักษาบุญรักษากุศลที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไปแล <c oughs> ะสร้างเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดของบุญกุศลสาม <c oughs> ให้ละการกระทาบาปอากุศลทั้งหลาย <c oughs> ที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป อสี่ให้ป้องกันไม่ให้บาปอากุศลที่ได้ละแล้วหนวงับคืนมาอีก mm hmm. อ น, นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จาเป็นที่จะต้องมีการกระทำกัน mm hmm. สร้างบุญก่อนอสร้างบุญที่เรายังไม่มี mm hmm. บุญนี้ก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่บุญที่สําคัญที่สุดชนิดแรกก็คือบุญที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี่ เ, เพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาพราะธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญสร้างกุศลละบาปอากุศลทั้งหลายว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเป็นบาปเป็นอกุศล ฉันสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างบุญชนิดแรกที่เราจะต้องสร้างกันก็คือเราต้องศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงกําหนดวันให้พวกเรามาศึกษากัน<ม>วันธรรมะสวนะัส<ม>แต่ว่าวันฟังธรรมวันศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ทุกประเทศนี้เราจะมีวันพระวันธรรมะสวนะัสดหนึ่งครั้ง แบ่งเป็นเดือนแบ่งไว้เป็นสี่สี่ครั้งด้วยกัน mm. ตามวันขึ้นแรมของพระจันทร์ mm. ขึ้นแปดขั้มแรงแปดขั้ม mm. ขึ้นสิบห้าข mm. แรมสิบห้าขหรือแรมสิบสี่ขั mm. บางเดือนก็แรงสิบสี่ขั้ม mm. เดือนหนึ่งก็จะมีสี่วันพระด้วยกัน mm. ที่สาธุชนพุทธบริษัท mm. คนที่จะมาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการฟังเทศฟังธรรมกันศึกษาคำสั่งคําสอนเพื่อจะได้รู้วิธีการดับของความทุกข์ว่าจะต้องดับอย่างไร mm hmm. จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาก่อน mm hmm. บุญกุศลข้อแรกก็คือการฟังธรรมเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลต่อด้วยอะไรก็ mm hmm. สร้างด้วยการทําบุญ mm hmm. ทำทานนี่ เรามีเงินทองเวลาที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วเราคิดว่าจะใช้เงินทองไปเที่ยวกันเพื่อไปทำให้เราสบายใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจเวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาด้วยเงินทองก็ให้เอาเงินทองนี้ไปทำบุญทาทานแทนเพราะเวลาที่เราทำบุญทาทานแล้ว เราจะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาสามารถที่จะหยุดความทุกข์ใจต่างๆได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกำจัดมันได้อย่างสิ้นเชิงแต่ก็จะทาให้ใจมีความสุขความสบายใจขึ้นดังนั้นถ้าเรามีเงินมีทองถ้าเราเวลาเราอยากจะมีความสุข เรา อ, อยากจะกำจัดความทุกข์ที่เรามีอยู่แทนที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อของต่างๆไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซื้อของที่เราอยากได้กันอาจจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ซื้อรถยนต์คันใหม่ซื้อคอนโดใหม่ซื้ออะไรต่างๆก็ต่างที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเนี่ย เพรเราคิดว่าถ้าซื้อแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะได้ความสุขใจเชื่อประเดี๋ยวประดาวในขณะที่ได้ซื้อของมาแต่หลังจากนั้นไม่นานของที่เราซื้อมากับจะกลายเป็นตัวให้ความทุกข์กับเราซีกมีรถก็ต้องมาทุกข์กับรถมีข้าวของก็ต้องมาทุกข์กับข้าวของ เพราะว่าเราจะต้องคอยมาดูแลรักษามันอีกอแล้วถ้าเกิดมันเสียหรือเป็นอะไรก็ต้องไปซ่อมมันสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาแทนที่จะสร้างความสุขไม่เหมือนกับการทําบุญทําทานนี่เราไม่ได้เอาอะไรมาเลยเราเอามาแต่ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปัน เ, เห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยาก เราก็ใช้เงินนี้ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาแล้วใจเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามมาเลยเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาไม่เหมือนกับถ้าเราไปซื้อของมาให้ความสุขกับเราของที่เราซื้อมาเราก็ต้องมาดูแลรักษาต่อซื้อรถมาก็ต้องดูแลรถยนต์ก็ต้องคอยวิตกกังวล ว่าจะจอดไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยจะไม่มีใครมารักมาขโมยเป็นต้นถ้าเกิดมีใครมารักมาขโมยไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่คือความหมายของการทำบุญทาทานด้วยเงินการหาความสุขด้วยเงินทองหาความสุขด้วยเงินทองได้แต่ต้องรู้จักวิธีหาที่ถูกต้องหาความสุขด้วยการทำบุญทาทาน ด้วยการช่วยเหลือผู้แบ่งเบาความความสุขของเราแบาง่บงลดแบ่งเบาความทุกข์ของผอู้ให้ลดน้อยลงด้วยการแบ่งความสุขที่เรามีให้กับเขาไปแบ่งบันความสุขประโยชน์สุขให้กับผู้นี่คือความความหมายของการทำทานมีเงินมีทองต้องรู้จักใช้ใช้เงินทองให้มันเกิดความสุขที่แท้จริง อย่าไปใช้เงินทองที่จะทําให้กลายเป็นเป็นการไปซื้อความทุกข์มาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราซื้อของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ก็เท่ากับซื้อความทุกข์มาเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเท่าของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตา ได้มาแล้วมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเสื่อมไปมีการหมดไปพอ mm hmm. เวลามันเสื่อมมันหมดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจความเสียใจขึ้นนะแต่ mm hmm. ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญนี้ mm hmm. บุญไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขงังอนัตตา mm hmm. บุญมันจะอยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราใช้มัน mm hmm. ใช้มันตอนที่เราตายไปแล้วเราก็จะใช้บุญนี้พาเราไปสวรรค์นั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำถ้าเรามีเงินมีทองเราอยากจะใช้เงินทองเป็นการกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆหรือการสร้างความสุขให้กับใจเราก็เอาไปทำบุญทำทานกันอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันไม่ได้ทำให้เราเกิดความสุขอย่างจริงจัง เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบฉาบเฉวยเป็นเหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาขมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้เท่านั้นเองซึ่งไม่ช้าก็เร็วความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์ใจก็จะตามมาทันทีอันนี้คือการทสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรายังไม่เคยทําบุญเราก็มาทํำบุญ ทำให้มากขึ้นถ้าเคยทำแล้วถ้าทำเพียงแต่พอหอมปากหอมคอทำเช่นวันสำคัญทำวันเกิดบ้างวันขึ้นปีใหม่บ้างหรือวันพระบ้างเี้ยมันก็ยังไม่พอควรจะทำาให้มากขึ้นเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางอื่นเนียมาให้กับการซื้อความสุขจากการทำบุญดีกว่าเพราะเป็นของแท้ของจริงไม่มีทุกข์ตามมา ไม่เหมือนกับความสุขที่ไปซื้อจากซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราทางตาหูจมกูกนิ้นกายมันเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเ<ม><ม>พราะมันเป็นของที่จะต้องเสื่อมจะต้องหมดไปพอมันเสื่อมมันหมดมันก็จะทำให้เราเศร้าใจเสียใจรู้สึกเศร้าส้อยงอยหเหงาว้าวีขึ้นมาอ<ม><ม>ันนี้เกิบุญ กู้สที่เราควรที่จะสร้างกันให้มากๆสร้างกันให้เต็มที่ทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปใช้ในซื้อความสุขทั้งอื่นให้เอามาซื้อความสุขด้วยการทำบุญจะทำกับใครก็ได้ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำกับพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็มักจะอยากจะทำกับพระพุทธศาสนาก่อนเพราะเราถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีผู้ที่มาคอยบอกทางของการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับเรานั่นเองในเบื้องต้นเรามักจะทําบุญกับพระพุทธศาสนาก่อนทําบุญกับพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยการถวายปัจจุทายทานต่างๆเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มกุฏิที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรค หรือเวลาจเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีความสามารถจะพาพระไปวัดหรือไปโรงพยาบาลก็ได้ก็ดีหรือจะไปช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพระได้ก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลบางแห่งเขาก็เก็บหมดไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะเข า, าถ้าไม่มีเงินเขาก็จะไม่รักษาให้อย่างนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าง เบื้องต้นก็ทำกับพระศาสนาก่อนเพราะเรามีความสำนึกในพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอยากจะให้พระพุทธรธรรมพระสงฆ์อยู่กับโลกเราไปนานๆเราก็ต้องมีการสนับสนุนผู้ที่มาศึกษามาบวชกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้นานไม่นานก็อยู่กับการมีพระอริยบุคคลหรือไม่ ถ้าไม่มีพระ อ, อริยบคุคคลพระศาสนานี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเปลือกเฉยๆไม่มีเนื้อเป็นผลไม้ที่ไม่มีเนื้อไม่สามารถให้คุณประโยชน์กับใครได้เพราะถาวราวรวัตถุต่างๆหรือพระที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถสอนวิธีดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้อง ต้องมีพระ อ, อริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านหนงถึงจะสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แลจะได้มาเป็นตัวแทนมาเป็นพระ อ, อริยสงสาวกุกอีกทอดหนึ่งต่อไปศ า, าสนาจะอยู่ได้ก็ต้องมีการบรรุของพระ ของผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมต้องบรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลสี่ระดับด้วยกันจะ<ม>เป็นพระโสดาบันก็ได้พระสกิฎาคามีก็ได้พระอนาคามีก็ได้พระอรหัน์ก็ได้<ม>เพราะว่าพระอาริยบุคคลสี่ระดับนี้ไม่ช้าก็เร็วถ้าเป็นอยู่ในระดับที่หนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สองที่สามที่สี่ไปตามลําดับดั<ม>ั้ และท่านก็เป็นผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเพียงแต่ว่าท่านยังอาจจะไม่ยังไม่ได้กาจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างร้อยเปอร์เซนตเนั้นเช่นพระโสดาบันนี้ก็กาจัดความทุกข์ได้ไปส0สิเปซนพระสกิดาคามีก็กาจัดความทุกข์ได้สี่ิเปอร์เซตพระนาคามีก็ได้ห้าสเปอร์เซต พอเป็นพ้าอรหันนี้ก็จะกำจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นลย่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามวิธีการกำจัดความทุกข์ก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือใช้อริยสัจสีใช้ไตรักษ์นี่ใช้ศีลใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเหมือนกันหมดทุกขั้นไปดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล ที่จะเป็นคนเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราทั้งกับพร ะ, พระศาสนาเราก็ทำบุญกับศาสนาก่อนทำกับพระไปตามบุญตามวัดต่างๆบางแห่งบางวัดก็ต้องกาลังก่อสร้างอยู่ไม่มีกุฏิก็ไปช่วยกันสร้างกุฏิกันขึ้นมาบางแห่งก็ยังไม่มีที่ดินไม่เพียงพอก็ไปช่วยซื้อที่ดินขยายบริเวณให้มันมีบริเวณพอเพียงต่อ ผู้ที่ต้องการังมาศึกษากับผู้ที่ต้องการังมาปฏิบัติธรรมกัน<ม>อันนี้เบื้องต้นเราก็ทำบุญทำบุญทำกุศลกับพระศ า, าสนาก่อนพอเราเห็นว่าพระศ า, าสนาอยู่ได้แล้วมไม่เดือดร้อนแล้ว<ม>หรือว่าถ้าเรายังมีบุคคลอื่นที่เราต้องดูแล<ม>เช่นบิดามารดา<ม>เราก็อาจจะต้องแบ่งบุญกุศลีม่มาทำให้กับกับ บ, บิดามารดาของเราก็ได้ เช่นบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาต้องการให้การพยาบาลก็ต้องใช้เงินทอง<ม>แล้วก็ต้องหยุดการทำงาน<ม>เงินทองที่จะได้จากการทำงานก็จะไม่มีมก็ต้องอาศัยเงินทองที่ได้สะสมเอาไว้<ม>อำมาใช้ในการดูแลบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายก็ตา ม, มอันนี้ก็<ม>ก็เป็นการสร้างบุญ<ม>สร้างกุศลเหมือนกัน การสร้างบุญสร้างกุศลบางครั้งก็ต้องดูเหตุการณ์ว่ามันมีเหตุการณ์จําเป็นที่จะต้องทํากับใครหรือไม่อย่างไร<ม>ถ้าบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านต้องการความดูแลต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องไปทํากับบิดามารดาปู่ย่าตายายคร<ม><ม>ูบาอาจารย์บางรูปนี้ท่านเขียนป้ายติดไว้ที่วัดว่าอย่ามาทําบุญที่วัดก่อนนะให้ทําบุญที่บ้านก่อน ให้ทําบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านก่อนพระอรหันต์ที่บ้านก็คือบิดามารดาของเรานี่แหละการได้ทําบุญกับพระการทาบุญกับพระทํากับบิดามารดานี้ถือว่าได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญเหมือนกับได้ทําบุญกับพระอรหันต์เพราะท่านมีพระคุณเหมือนกับพระอรหันต์พระอาหานต์นี้ท่านมีพระคุณทางด้านจิตใจท่านให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดเรามาไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลด้นจากความทุกข์ได้เลยในบุญคุณของพ่อแม่ก็ยิ่งใหญ่อย่างนี้ให้ชีวิตเราให้ร่างกายของเรามาเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายมาใช้ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมนั่นเองอดังนั้นเวลาที่บิดามารดาต้องการการดูแลช่วยเหลือ เราก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดี<ม>ปู่ย่าตายายด้วยหรือคนญาติสนิทมิตรสหายก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้เหมือนกันบุญที่ทํากับคารวะหรือบุญที่ทํากับศาสนานี้เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันนี้เท่ากัน แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนั้นอาจจะต่างกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระศาสนาก็คือเราจะได้เรียนรู้ธรรมะได้มีที่ปฏิบัติธรรมะได้หลุดพ้นจากหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไปทำบุญกับบิดามารดานี้เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากทางศาสร์เหมือนกับที่เราได้จากทางาศาสนา แต่เราก็ได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ทดแทนบุญคุณอันประเสริฐของบิดามารดาของเราเราได้มีความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากในมนุษย์คนดีคนที่เป็นมีความกตัญญูรู้คนนี้มีน้อยมากมคนที่มีนี่ถือว่าเป็นคนดีเป็นคนที่จะเจริญลุกเรืองต่อไปได้ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีเป็น เป็นจุดเริ่มต้นเพราะคนเราถ้าไม่มีความกระตันอยู่แล้ว<น>ก็จะไม่มีใครที่เขาจะยินดีให้การสนับสนุนถ้ารู้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความกระตันอยู่เราอยู่ในโลกนี้เราทำอะไรเราก็ต้องมีการร่วมมีการร่วมมือจากผู้ผู้ที่เขาจะมาร่วมมือกับเรา <anticipation S 1> เขาก็จะดูว่าเรามีความกระตันอยู่หร <RNA S 1> ือไม่ถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่เขาก็จะไม่อยากจะร่วมร่วมมือกับเราด้วย ไม่อยากจะสนับสนุนเพราะถือ ว, ว่าเป็นคนไม่ดีอยากจะสนับสนุนคนดีคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีอันนี้คือบุญกุศลด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทําทานแล้วหลังจากที่เราทําทานทําบุญเสร็จเราก็สามารถที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงล้าไปแล้วได้เช่นปู่ย่าตายายหรือบิดามารดาอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับเราแล้วก็ได้ เราก็ยังสามารถส่งบุญไปให้บิดามารดาได้ด้วยการอุทิศบุญที่เราทำอยู่นี้อันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทำควบคู่กับการเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดกันเวลาทำบุญที่วัดเสร็จพระอนุโมทนาญถาสัพพีเราก็กวดนา้าอุทิศบุญกุศลที่เราทาให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าได้บุญที่เราส่งไปก็จะเหมือนกับได้เงินทอง พาให้เขาไปสวรรค์ได้ไปซื้อที่อยู่อาศัยไปซื้ออาหารทิพต์ซื้อที่อยู่ทิพต์ไปอยู่ในวิมานในสวรรค์ต่อไปได้ น, นี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งก็คือการบุทิบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหลังจากที่เราได้ทําบุญบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้กันก็คืออนุโมทนาบุญ อนุมโมทนาก็คือให้มีความชื่นชมยินดีสนับสนุนการทำบุญของผู้อื่นเช่นปีนี้มีคนมีเพื่อนเขาจะไปเป็นเจ้าภาพทอดกะถินอย่างนี้เขาบอกแล้วว่าปีนี้จะไปทอดกะถิน่นถ้าเราอยากอนุโมทนาเราก็ไปร่วมทอดกับเขาไม่ใช่พูดแต่ปากอนุโมทนาพูดแต่ปากนี้มันไม่ได้บุญนะมอนเพียงแต่เป็นการจะได้บุญจากอนุโมทนานีต้องเกิดจากการกระทา ถ, ถ้าไปเองไม่ได้ก็ใส่ซองไปให้เขาหน่อยก็ยังดีอันนี้ต้องมีการเสียสละแบ่งปันไปถึงจะเรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญไม่ใช่ใครเขาทาบุญก็สาธุสาธุอนุโมทนาวันนี่มันเป็นการเป็นปากเปล่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่เกิดความสุขจริงจังภายในใจของเราถ้าจะเกิดความสุขจริงจังนี้เราก็ต้องเสียสละอะไรบางอย่างไป เป็นบางทีเรามีคนทำงานกับเราเขาขอลาไปบวชนี้ถ้าเวลาเขาไปบวชเราก็จะลาบากเพราะขาดคนทำงานแต่เราก็ยินดีอยอมเสียสละยอมลาบากนิดหน่อยเพื่อให้เขาได้ทำบุญก็อนุโมทนานให้เขาไปได้แล้วก็ดีไม่ดีให้เงินเดือนให้เงินเดือนด้วยไม่หักเงินเดือ น, นอย่างทางราชการนี้เขาก็อนุญาตให้ข้าราชการบวชได้90้าสิวั น, น โดยที่ไม่หักเงินเดือนเพราะต้องการส่งเสริมให้คนเป็นคนดี น, นั่นเองเพราะการบวชนี่เป็นเป็นการกระทําความดีไม่ได้เป็นการกระทําความชั่วแต่อย่างใด <S S เป็นการหล่อล้อมคนให้เป็นคนดีนเพื่อที่อะไรกลับมารับใช้ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทางรัฐบาลก็เลยยินดีที่จะเสียเสีย เสียรายายได้หรือเสียผลประโยชน์จากการที่เขาจะต้องลาไปไปบวชเก้าสิบวันแล้วก็ไม่หักเงินเดือนด้วยให้เงินเดือนด้วยอย่างนี้นะเรียกว่าอนุโมทนาบุญไม่ใช่พูดแบบปากเปล่าสาธุสาธุาธอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเกิดจากการกระทําบุญนี้ต้องเกิดจากการกระทำเพียงอย่างเดียวไม่ใช่บอกพวกนี้พวกนี้ผมจะไปทําบุญนะแค่นี้เราไม่ได้บุญหรอก พอถึงพวกนี้ก็ไม่ได้ไปทํามันไม่ได้บุญจะ ไ, ได้บุญก็ต่อเมื่อเราต้องไปทําด้วยพูดแล้วก็ต้องทํานี่คือการอนุโมทนาบุญเวลาที่เรามีโอกาสที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องอนุโมทนาบุญก็อย่าปล่อยให้ผ่านไปต้องช่วยโอกาสว่าอันนนจะมีโอกาสได้อนุโมทนาบุญสักทีบางทีเราโมแต่ทำมาหากินอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญเลยแล้ววันดีคนดีก็มีคนมาบอกว่าปีนี้จะไปทอดกถิ่นนะแต่ว่าอ๋อ ย, ยินดีด้วยขอร่วมด้วยเพราะคนที่ไปทำนี่เราไว้ใจได้เชื่อใจได้ว่าเขาไม่มาโกหกหลอกลวงเราเราก็จะได้มีโอกาสได้ทาบุญมีไเรว่าการอนุโมทนาบุญบุญอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันก็คือ การช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองการดูแลผู้อื่นช่วยเหลือคนยากคนคนจนคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนพิการคนชราชหรืออะไรต่างๆเหล่ า, านี้เป็นการช่วยเหลือบางทีเราอาจจะไม่มีเงินมีทองแต่เรามีเวลามีเวลาเราก็ใช้เวลาของเรานี้ไปในการดูแลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่เวลาที่เรามาวัดอย่างนี้ เรามีเวลาว่างเราอาจจะเห็นว่าห้องน้ำทางวัดไม่สะอาดมีแต่คนใช้ไม่มีคนไม่มีคนทความสะอาดเราก็อยากจะทำให้ห้องน้ำเป็นห้องน้าที่สะอาดเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญ เ, เหมือนกับใส่บาตรได้บุญเหมือนกับการทอดผ้าป่าทอดกระถิน<ๆ>เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งที่ที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เราทากันคือให้เป็นจิตอาสา <m uch ing> เราไม่มีกงินมีทองแต่เรามีกำลังกายเรามีเวลา <m uch ing> เรากำลังกายเอาเวลาของเรนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลได้ <m uch ing> นี่คือบุญต่างๆที่เราควรจะทำกันถ้าเรายังไม่ได้มีถ้าเร า, ายังไม่ได้ทำก็ควรจะทำแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทุกชนิดไปเราเลือกทำชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ ถ้าเราสะดวกที่จะทำบุญทำทานด้วยการาบริจาคทรัพย์เราก็ทำไปแบบนั้นถ้าเราสะดวกด้วยการอนุมโมทนาบุญล้วก็ทำไปถ้าเราสะดวกด้วยการรับใช้ช่วยเหลือผู้เราก็ทำไปตามความสะดวกของเราเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเป็นการสร้างเป็นการกำจัดความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งลดน้อยความทุกข์ให้น้อยลงไปได้อันนี้คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศล เมื่อเราได้สร้างบุญเหล่านี้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้ไม่ใช่ทําหนเดียวแล้วก็เลิกทําใส่บาตรครั้งเดียวแล้วก็เลิกท ำ, ทกกทำมันถ้าเลิกทำก็แสดงว่าเราไ ม, ไม่ได้รักษาให้มันอยู่ต่อไปบุญเหล่านี้ต้องมีการรักษาหรือมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเราใส่บาตรแล้วเราก็ต้องพยายามใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่มีกําลังที่จะใสเท่านั้นเช่นไม่มีเงินพอที่จะไปทําบุญใส่บาตร อย่างนี้เราก็หยุดการทำบุญใส่บาตรได้แล้วอาจจะเปลี่ยนมาการทำบุญด้วยการไปช่วยเหลือไปรับใช้ผู้แทนไปเป็นจิตอาสาไปทำบุญโดยที่แบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้แต่ข้อสำคัญเราควรจะทำอยู่เรื่อยๆอถ้าเราสามารถทำได้แล้วบุญอีกขั้นหนึ่งก็คือบุญที่ได้จากการที่เรามา ปฏิบัติธรรมกันอันนี้จะเป็นบุญขั้นสูงสุดนะทานแล้วก็มาภาวนาก่อนที่เราจะภาวนาเราก็ต้องมาละการกระทำบาปก่อนบาปก็คือการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดการดื่มชรายาเมาและการเสพอบายมุขเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวเต่การเกียดค้านการคบคน ชอบอบายามุขเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องละเพราะมันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าเราไม่อยากจะให้ความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านี้เราก็ต้องระงับด้วยการถือศีลห้าให้ละการกระทําบาปอกุศลที่เรายังละไม่ได้ถ้าเรายังดื่มชรายามเมาอยู่ก็ให้เลิกดื่มชราถ้าเล่นการพนันก็ให้เลิกเล่นการพนัน ถ้าชอบเที่ยวเตะก็ให้หยุดการเที่ยวเตะถ้ามีความเกลียดค้านก็ต้องให้หยุดความเกลียดค้านถ้าชอบคบคนที่ชอบบอบายมุขเป็นมิตรก็ต้องเลิกคบกับเขาเพราะถ้าคบกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะชวนเราไปไปเสพอบายมุขคบกับคนชอบกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปกินเหล้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว พราฉะนั้นเราต้องพยายามไม่คบกับไม่ไม่เสพอบายามุขไม่ไม่คบกับคนที่ชอบเสพอบายามุขเพื่อเราจะได้ละอกุศลสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอกุศลมันไม่ได้ทางสร้างความสุขให้กับใจแต่มันจะเป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าเรายัางดื่มชวราก็ให้เลิกดื่มชวราเสียถ้าเรายัางพูดปดก็ให้หยุดพูด วิธีแก้าการพูดปดนง่ายนิดเดียวถ้าเรารู้ว่าเราจะพูดป่นเราก็อย่าพูดเสียก็หมดเนี่ยหรือพูดเรื่องอื่นแทนไปออหรือบอกเขาตรงๆว่าอ่าเรื่องนี้พูดไม่ได้ขอผ่านไปเท่านี้เราก็ไม่พูดป่นละไม่ยากหรอกการไม่พูดปดนเนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยมันง่ายทุกครั้งที่เราจะพูดคําไม่จริงเราก็หยุดพูดเสียหุบปากเฉยๆเสียพูดเรื่องอื่นไป หรือชวนเขาพูดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหรือถ้าจะบอกว่าตรงๆก็ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ขอพูดขอผ่านไปเขาไม่ให้ความเห็นบางทีขอให้ไม่ให้ความเห็นดีกว่ า, าถ้าพูดได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดโกหกใจอย่างใดถ้าเรายังโกหกอยู่พยายามเลิกโกหกเสียถ้าเรายังเที่ยวสับสอนอยู่ประพฤติผิดประเพณีอยู่ก็วควรที่จะเลิกได้ ถ้าเรายังรักทรัพย์ยังชอบโกงอยู่เราก็ต้องพยายามเลิกมันให้ได้ถ้าเรายังค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะปรนสัตว์สัตว์ใหญ่สัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องพยายามหยุดมันให้ได้วิธีที่จะละบาปได้ก็ต้องมีฮิริโอตปะนะเพราะเราคนเราไม่มีใครยกย่องคนทำบาปนะเพราะคนคนทำบาปนี่ถือว่าเป็นคนไม่ดี ดังนถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีคนที่ไม่ใช่คนไม่ดีเราก็ต้องมีความอายเวลาที่เราจะทําบาปเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะไปให้คนอื่นเขายกย่องเราได้ <mm> ถ้าเราทําบาปแต่ถ้าเรามีความละอายในการกระทําบาปไม่กล้าทําบาปเราก็จะไม่ทําบาปเพราะรู้ว่าทําบาปเราจะทําให้เราเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีเราละอาย เราก็อย่าไปทําบาปแล้วถ้าเรากลัวกลัวผลของบาปที่จะตามมาโอตะปะฮิลิแปลว่าอายโอตปะปะแปลว่ากลัวกลัวผลของการทําบาปผลของบาปก็มีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาทําบาปทําผิดกฎหมายก็ จ, จะถูกจับเข้าคุกเข้ า, ขาตารางไปถูกจับลงโทษได้แต่ถ้าไม่ถูกจับไปลงโทษตายไปก็จะต้องไปอบายอยู่ดี ต้องไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นน ส, สุลรกรกายบ้างไปนรกบ้างหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านบ้าง<ม>นี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาศิ่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมืม่อทำแล้วเมื่อถึงเวลาที่ผลบาจะส่งผล<ม>บาก็จะส่งให้เราไปเกิดในอบายกันให้เราถ้าเราเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องอบายที่เกิดจากการกระทำบาของเราเราก็จะได้มีความกลัวไม่กล้า ก, กระทำบาต่อไป นี่คือให้ลาบาบอกุศลทั้งหลายที่เรายังทำอยู่ดยการมารักษาสีลห้ากันละเว้นอบา ย, ยมุกกันแล้วเรามาสร้างบุญสร้างกุศลอันดับที่สูงที่สุดต่อไปก็คือการภาวนาการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> ใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อเอร์เซนนี้ต้องเกิดจากการภาวนาที่มีอยู่แบ่งเป็นสองระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนา mm hmm. สมถภาวนาก็คือการทำใจให้นิ่งสงบเวลาใจนิ่งสงบความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจก็จะหายไปหมดชั่วคราว mm hmm. นี่เป็นการเป็นการกาจัดความทุกข์แบบชั่วคราวเช่นเวลาเราเครียดกับเรื่องนั้น mm hmm. เครียดกับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้เรามานั่งสมาธิกัน mm hmm. ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีสติควบคุมใจทําใจให้นิ่งให้สงบได้ความทุกข์ใจต่างๆก็จะหายไปหมดชั่วคราว mm hmm. แต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ mm hmm. ความทุกข์มันก็จะกลับมาใหม่ได้ mm hmm. เพราะว่าสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรสมาธิเป็นเหมือนหินทับหญ้า mm hmm. เวลาเอาห็นไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาเอายกหินออกจากหญ้าไปแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งหญ้ามันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ความทุกข์ในใจก็เช่นเดียวกันความทุกข์ในใจที่ถูกสมาธิกดไว้<า>ตอนที่เข้าสมาธิความทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะหายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาปับ๊บพอมาคิดถึงเรื่องที่ทาให้ทุกข์อีก ความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาใหม่ได้ทันทีวิธีที่จะทําให้ความทุกข์ไม่เกิดจะดาที่เราเออกจากสมาธิมาแล้วไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ก็ต้องศึกษาเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ว่ามันมันเป็นอย่างไรกันแนะ่มันเป็นนิจจังสุ ข, ขงังอนัตตาหรือมันเป็นอนิจจังทุกขาา์ัอ ง, งนอนัตตาเช่นเรื่องเงินทองถ้าเราทุกข์กับเรื่องเงินทองเนี่ยพอออกมาคิดถึงเงินทองนี่สินนี่เราต้องต้องไปจับเป็นต้องไปใช้เนี่ย เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีแล้วเราจะทํำยังไงที่เราจะทําให้เราไม่ทุกข์กับเงินทองวิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์กับเงินทองก็ต้องมองให้เห็นว่าเงินทองมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาอาศัยไม่ได้ตลอดเวลาเวลาเรามีมันก็เราก็พึ่งมันได้เวลามันหมดเราก็พึ่งมันไม่ได้ให้วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ต่อไปก็คือเราอย่าไปพึ่งเงินทองเลย ไปบวชเลยคนที่ไม่มีเงินทองก็ไปบวชได้เลยบวชแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไปทำมาหากินหาเงินหาทองให้เครียดไปกป่าเพราะเวลามาบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทองเพราะมีค น, นดีสนับสนุนในปัจจัยสี่เพราะเห็นว่าคนมาบวชนี้เป็นคนดีคนที่จะมาเสืบทอดพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นการใช้ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนา ให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ที่เราพึ่งพาสายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงชยเช่นเงินทองมันเวลามันเปลี่ยนไปแล้ววันหมดไปมันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องเงินทองก็อย่าไปใช้เงินทองอย่าไปมีเงินทองอันนี้แหละสาเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้พระมีเงินมีทองเลยเพราะว่าพอมีเงินมีทองแล้วเดี๋ยวพระก็ต้องไปเคียดกับเรื่องเงินทอง แต่ต่อมาก็มีคนขอร้องว่าบางทีเงินทองก็จะมีความจําเป็นเหมือนกันบางทีพระเจ็บไข้ได้ปวด่วยโดยต้องการของบางอย่างที่ไม่สามารถได้จากการทําบุญทําทานนี่พระเจ้าก็เลยอนุโลมว่ามีได้แต่ไม่ให้เก็บไว้เองให้ฝากไว้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของตนเวลาที่ต้องการเงินอะไรก็ให้ไปพูดกับคนที่ฝากเงินไว้ให้เขาช่วยจัดหาซื้อให้อื ให้เราพิจารณาสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ว่าเป็นทุกข์ทุกเพราะาามไม่เที่ยงทุกว่ามันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุ ก, ทกขังอนัตตาเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นราบก็ดียอศก็ดีสรรเสริญกด็ดีทางสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกด็ดีบุกคล น, นั้นบุคคลนี้กด็ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดี มันเป็นของไม่เที่ยงเนั้นแ่ะมันมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลามันเจริญก็มันก็ให้ความสุขกัเราแต่เวลามอมันเสื่อมไปมันหมดไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์กับอะไรก็อย่าไปมีอะไรเลยเพราะใจของเรานี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร <S 2> <S 2> ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระรหลานนี้ท่านไม่ได้อยู่กับอะไรท่านอยู่กับความว่าง อยู่กับความที่ไม่มีอะไรนี่ไม่มีราบยศสารเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่มีบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่ร่างกายของท่านท่านก็ไม่ยึดไม่ติดร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายท่านก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะท่านไม่ไปยึดไปติดไปอาศัยมันอยู่กับมันไปเพราะว่ามันยังต้องอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้มีอะไรกังวลกับมันอีกต่อไป พรมีปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายักเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าไปพึ่งร่างกายไปอาศัยร่างกายก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาเวลาที่อาศัยมันไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าพระหลานนี้จะไม่อาศัยแม้แต่ร่างกายท่านจะอาศัยแต่ปัญญาปล่อยวางเพียงอย่างเดียวปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นแหละจิตใจของท่านจึงเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบารมมุสุขขึ้นมา หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวางขึ้นมาด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะไปะถึงขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิขั้นสมถะภาวนาก่อนและก่อนที่จะมาได้สมถะภาวนาก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนและก่อนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีการทําบุญทําทานให้ได้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนของการดับความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาปฏิบัติกัน สร้างบูญสร้างกุศลแล้วก็มาละบาปอกุศลแล้วก็มาชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสอบปัญญาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา<ม>พอทำสิ่งเหล่านี้ได้ครบบริบูรณ์วิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยาตามมาอย่างแน่นอน<ม>นี่ก็คือเรื่องของความเพียรที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะรวาหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตจินางเตตานังอุปกปติอิจิต an ังปฏิตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปัณะวาโสยถามณิโชติวาโสยถาสพีติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขิตีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามไปมีคำถามอะไรอาจจะถามได้เชิงถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook 358ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติไล322ท่านทาง YouTube ดรวี50ท่านวิทยุออนไลน์ uh, 6ท่านครับ h o u s 6ท่าผภูรฟังหน้ากุติ100ท่านรวมทั้งหมด842ท่านครับเกินทางด้านเล กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากทางย t ท b e พระอาจารย์จากคุณทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะฟังธรรมะแต่ทำไมรู้สึกว่าเหมือนใจดำไม่ได้รู้สึกสงสารและเมตตาคนอื่นเท่าไหร่เหมือนทำบุญก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้รู้สึกเหมือนว่าเป็นคนไม่รู้ธรรมะเลยเจ้าค่ะ ก็ธรรมะนี้ทำเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ได้ให้เกิดความเมตตาสงสารัให้เกิดความรู้ความฉลาดทำอะไรไม่ได้กี่คนละเรื่องกันคำถามจากคุณมงคลเจ้าค่ะ ถ้ากายดับไม่รู้ลมหายใจเห็นแสงลอยออกจากร่างกายเราจะทำยังไงต่อครับพระอาจารย์ก็นั่งเฉยๆไปนล้งวนั่ง ม, มีสติรู้เฉยๆไปอย่าคิดปรุงแต่งแต่แตแ้วรู้ไป ค่ะคำถามจากคุณนัทพลกราบเย็นพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าเมื่อขณะปฏิบัติในการท่องพุทโธไปตลอดทั้งวันทำไมจึงรู้สึกอึดอัดหรือเพราะมันเป็นการต่อต้านของกิเลสใช่ไหมครับและถ้าเป็นการต่อต้านของกิเลสเราควรทำอย่างไรต่อไปครับก็ธรรมดามันเป็นการขึ้นเวทีต่อสู้กัน กิเลสเขาครองแชมมันเขาครองใจเรามันาเราจะใช้สติ ข, ขับไล่มันมันก็คอยต่อต้านเราช่วงที่ต่อสู้กันมันก็เกิดความรู้สึกอืดนัดไม่สบายแต่ถ้าเราพยายามสู้ไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเดี๋ยวก่เลยมันก็แพ้เราพอแพ้แล้วใจก็จะโล่งจะเบาจะสบายงั้นทาต่อไปพุโทโธต่อไปอย่ายู่พุโทโธ ใช่ค่ะคำถามต่อไปจากคุณรูเสียพระอาจารย์ครับตอนเด็กๆผมเคยไปเคาข้างๆรงศพตาที่เสียไปแล้วบอกกับท่านว่าอยู่ด้วยกันก่อนแล้วบอกรักท่านเพราะผมเสียใจมากผมอยากทราบว่ามันดีหรือไม่ดีครับ ไปทำอะไรมากราบศพเนี้ยไปขอลงศพคุณ <ไป S 2> ตาค่ะว่ า, ว, าว่าแบบรักคุณตาเพราะว่ า, เ, าเสียใจมากแบบนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีหรอกเพราะมันขออย่างนี้นก็ไม่กลับมาเลยถ้าจดีก็ทําบุญส่งไปให้คุณตาจะดีกว่าไปทําบุญใส่บาอุทิศบุญให้กับคุณตาไปเจค่ะจากคุณสถาพรกราบสอบถามรัชฌานงานศพ เกี่ยวหมาว่าเอาไว้หลายวันได้สวดหลายๆวันแล้วบุญส่งถึงผู้ตายจะเยอะตามค่ะบางที่งานต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดก็หมดไปมากเจ้าค่ะเงินส่วนใหญ่มันไม่ได้หมดไปด้วยการทําบุญมนะันหมดไปด้วยการเลี้ยงดูคนที่มาทําบุญอย่างนี้ก็มันก็จะไม่ได้บุญมากถ้อทําบุญแบบไม่มีงานดีปะเอาเอาศพไปเผาแล้วก็เอาเงินลงไปบริจาคให้กับวัดไป อันนี้จะได้บุญมากกว่าส่งบุญไ้คนตายได้มากกว่าเจ้าค่ะจากคุณยี่สิบี่กราบนรัศการพระอาจารย์ขอการสอบถามว่าพระอรหันต์มีฝันร้ายฝันไม่ดีฝันสเปชสะปะแบบที่ปุถุชนทั่วไปฝันกันหรือปา่าเจ้าค่ะก็ต้องรอไปเป็นว่าแลหวค่ะในตอนนี้อนนี้ มีคําถามค่ะจากทาง ด, กดกรวีชาแนลเรียนเรียนพระอาจารย์ครับโดนหลอกบ่อยๆทํำยังไงดีครับโดนหลอกบ่อยๆนะค่ะต้องทํำยังไงดีก็อย่าไปเชื่อเขา ง, ง่ายๆเลอย่าอย่าเพิ่งไปเชื่อพู้เจ้าบอกเขาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องไปพิสูจน์ดูก่อนถ้าเขาเอาทองเก๋ ม, มาบอกก็เป็นทองจริงเราก็ต้องไปเอาเอาไปที่ร้าน จ้งรายขาให้ช่วยทนดูทนลองดูหน่อว่าเป็นขอ ง, ของจริงหรือของแทนเพราะฉะนั้น อ, อย่าเชื่อคําพูดของคนนะ อ, อย่าไว้ใจคนอย่าวางใจทางอย่าอย่าไว้ใจคนจะจนใจตายนี่เป็วิธีแก้ความสูกหลอกอย่าไว้ใจใครต้องต้องต้องออกไปพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็เชื่อได้ถ้าไม่จริงก็จะได้ไม่เชื่อแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อน ไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธเจ้าค่ะจากคุณอุย๋ยชีวิตเปลี่ยนได้เพราะฟังพระอาจารย์เกือบทุกวันกราบสาดดูเจ้าค่ะแล้วก็มีอ๋อยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคำถามจากจากแชทใช่ไหมด็อกเตอร์วี จากคุณนัฐพลทำไปแล้วจากคุณทิพย์เจ้าค่ะกราบนรมาส ก, การพระอาจารย์หลวงพ่อสุชาติเจ้าค่ะหลังจากที่ฟังจบแล้วหลวงพ่อกล่าวบทสวดยะถาสัต พ, พีลุกเป็นผู้ฟังควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องเจ้าคะเช่นขณะที่ฟังสวดให้ทำจิตว่างหรืออย่างไรเจ้าค่ะ ก็ฟังไว้ฟังเทศนั่นแหละเป็นการเทศแบบหนึ่งเป็นงานเทศสรุปเราคนติดต้องฟังเทศแล้วต้องให้พระให้พรด้วยพระก็เลยต้องให้พรไปเป็นคนฟังก็รับพรไปเท่งนี้ไม่ต้องทำอะไรเช้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเช้าค่ะรู้สึกเลมีชาวต่างชาติอยู่ตรงนี้ใช่ห ม, ม น, นี่หรบ อมีคําถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะประเทศอื่นมีพระที่เป็นพระอระหันต์ไหมครับก็ไม่มีการสํารวจดูเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีด<ม>ที่ไหนที่คนตายพระตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุที่นั่นก็เป็นมีพระอรหันต์ขึ้นมาที่สุดได้ต้องรอให้เขาตายก่อนถ้าตายแล้วกระดูกบางส่วนการเป็นพระธาตุขึ้นมาแสดงว่าพระรูปนั้น้เป็นพระอรหันต์ยังไม่มีเข้ามาเจ้าค่ะ We have a lady from from somewhere. Do you want to ask any question? Do you want to? You're welcome to come and talk. Um, Ajahn, I d like to ask um a question. Say um the awareness and the consciousness. And also, the one who knows are these three things? Is one thing? Well, see, it depends on the translation. Where where does the translation come from? What's the original word? In in Buddhism, we have the knowing element, which is the mind, and the mind has the ability to know. And you also have the ability to feel, to think, to perceive. And to be able to connect to a body, to receive the five sensual objects, such as the sight, sound, smell, taste, and tactile objects, this is the ability of the mind. The mind can also have mindfulness or not have mindfulness. If the mind drifts with with the thoughts in in in the mind, it means the mind has no mindfulness. If it doesn't r i f e if i l stay fixed, then it has mindfulness. So this is sati, translate from the word sati, mindfulness. So this is this is about it. Yeah. The consciousness of the, the sight, sound, smell, taste, t a s t e and tactile objects. This is one of the the ability of the mind. It can connect to our body. When the body, when the old body dies, the mind will go look for a new body a n t o r we connect with the new body. So you get rebirth, and the connection take take place at the at the five five external organs of the body: the eyes, ears, nose, tongue, and body. Sometimes people call this as consciousness, consciousness of the of the sight, sound, smell, taste, and tactile objects. But actually, it just it just a, merely a connector. It it brings the the sight, sound, smell, taste, and tactile objects from the body to the mind. And so it's the mind who is conscious or who knows these images, this sight, sound, smell, taste, and, and tactile objects. Not the v i n y a n a not the con not the connector. We have a connector, but the connector doesn't have any. Awareness, a consciousness. It's the mind who is aware, who who knows. So you don't have to worry about this thing. All you have to worry about is is stress. When the mind has stress, how to get rid of the stress in the mind? That's all. And to get rid of the stress, you have to get rid of the cause of the stress, which are the cravings in the mind. When you crave for something and you don't get what you crave for, you you have stress, you have sadness, you have suffering. So you want to stop this sadness, suffering, uh, stress. You just have to stop your cravings. Okay. Thank you, Ajahn. Um, when I um, the the reason I ask, ask this is. Um, When you say there's a stress, so I can recognize that. Be mindful. So when I be mindful, and that I can see that it arises and passes away. So then it stays still. Um, my question is, um, because the five aggregates, there's um, v i n y a n a or the consciousness, is also arises, passes away. But there is a Awareness is always there. It never passes away. It's always there. Am I right? That's the mind. That's the knowing. That's the knowing mind. Yeah. The one it knows. Yeah. It's, it's always that. there. It's always there. It knows. It knows the consciousness. It knows the thinking. The feelings. This is another. It doesn't. It doesn't has. It's. It's neutral. It doesn't has any judgment or anything. It, it can be. It can be controlled by the d e f i n e m e n t to to see things differently, to think. So you need wisdom to teach the mind to know what is true and what is not true. So, it knows, but it doesn't know whether it's good or bad, true or not true. It, it needs the the wisdom to teach it. So that's why we have to study. To find out what is true, what is good or bad, and then try to avoid the bad and do the good things. So when uh, when I do um, meditation, I I realize the thoughts um, arises and the mindfulness is there. So I realize that the thoughts arises. And I can do one A, like I push that away, or I can just aware that arises and passes away. So which way is the correct? w h a t way is wrong. You have to stop the thought by not giving it any attention. You have to focus the mind on something else, like your breath. When you focus on your breath and you don't, you can stop your thinking. But if you keep watching your thinking, you will keep thinking. When you meditate, you want to s t e a l your thought. You don't want to keep your thought from from from from thinking all the time. And the way to not to think about it is not to pay attention to it. You should pay attention to something else, like a meditation object, like a mantra or the breath. This will then stop your thought. Bring your mind to jhana. If you keep watching your your thought, t h e will not stop. Sometimes people say this is samatha um, practice. The other is vipassana. That means that you see things as it is, and the rises passes away, and the mind still um, stays still. You need first samatha before you can go to vipassana. If you cannot make your mind still yet, you cannot go to vipassana and stay still when you see things. But the mind function is always arises, passes away. Until you see that it never arises, passes away, you reach the end. So you are confused. You talk of different different things, and you try to combine them into one thing. So you have to know what you're talking about first. If you want to talk about samatha, you want to stop your thought. If you want to do vipassana, you have to understand the nature and let go. Don't be attached to them. In order for you to to be able to let go, you have to have samatha first. You have to make your mind still first. When your mind becomes still, then you can let go of everything. And if your mind is not still, it will not let go. It will be attached to things that it comes into contact with. So you have to know what t h use, what step, where are you at this point? You are running all over the place with so many information. So you become confused and don't know what to do with them. So in practice, you have to do one step at a time. The Buddha first start with mindfulness, then meditation, anapanasati, to get into jhana. Once you have jhana, you can still your mind. Then you can then go on and study the nature of things, of the body, the mind, of the feelings, and let go of them. Let go of your attachment to them, because by having attachment, you will create you will create dukkha or suffering for the mind. If you don't want to have any suffering or dukkha, you have to let go of them. Let them come and go. You don't have to do anything to them. Good or bad, let them come and let them go. How can I reach jhana? Practice mindfulness. As soon as you get up, be mindful. Don't let your mind think about other things. Just be mindful of your body. Keep watching your body. Or you can use the mantra. Be mindful of the mantra. Bhuto bhuto. As soon as you get get up, keep reciting bhuto all day long. Then you w Then you can control your thought. Then you can stop your thought when you meditate. Then you can get to jhana now a y โอเค thank you alright you have anything โอเคมีคำถามไหมมีเข้ามาสองคำ<ๆ>ถามเจ้าค่ะจากคุณอุศนาเจ้าค่ะจา ก, กาเฟซบุ๊กกล่าวเยนท่านพระอาจารย์ค่ะการสวดมนต์บทต่างๆเป็นประจำเช่นอิติปิโสพาหงุงชินบัญชรเป็นต้นจะเกิดผลบุญอย่างไรเจ้าค่ะ เกิดสติไงเกิดความสงบความสงบ้งบ็เกิดบุญงามเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะจากคุณนัทพลทางดรว h ช n n e ลกราบสอบถามพระอาจารย์ครับอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบทำไมจิตชอบไปรับเอามาและพยายามปล่อยและมันชอบให้คิดตลอดเวลาควรปล่อยวางอย่างไรดีครับไม่มีสติต้องใช้สติปล่อยวาง ควมีอารมณ์ข้างท า, างอยู่ในใจก็บบิกกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทโธไปนะเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็จะจางหายไปเจ้าค่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะมี ใ, ใอยากจะถามอยู่ไหมถามได้ไหถ้าอยากจะถามประเด็นเข้ามาเอาไมค์ก็โฟนเข้ามาสิเดินเข้ามาให้เราเตือนใจพรอาจารย์คะหนุกลับขอ ง, งใใบบ ร, รับราการ กับนมรดการพระอาจารย์ค่ะค่ะพอดีหนูปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ใช้อนาปานสติแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกอตอนนีอ้อารมณ์ที่มากระทบรู้สึกว่าตัดได้เร็วมากขึ้นแล้วก็อยากรบ ก, กวนถามพระอาจารย์ว่าเหมือนเราปฏิบัติมา พุโทโธหายแล้วตอนนี้หนูอยากรู้ว่าหนูต้องเดินปัญญาหรือว่ามาจับที่ลมหายใจเข้าออกนะคะพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิควรจะเลอกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาลมเรือเอาพุโทโธไปพุโทโธหายค่ะพุโทโธหายเพราเราหยุดเราก็เริ่ดึงกลับมาใหม่อย่าหยุดอย่าหยุดพุดโทโธค่ะ จนกว่าจิตจะดิ่งลงตกสมาธสูงลงมาแล้วก็นิ่งสงบตอนนั้นถ้าหยุดพุทโธแต่ถ้ายังไม่สงบยังต้องพุทโธต่อไปเรืนเน่ยอยๆแต่ว่ายังเดินปัญญาไม่ได้ใช่ไม่ได้เวลาด้ตอนทําสมาธินี่เรื่องของสมาธิอย่างเดียวเรื่องปัญญาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายพิจารณาอานิจจทุกขงังงานตาค่ะคนละเวลาคนละรอบค่ะ คนละเรื่องกันหลังคนละเรื่องเดี๋ยวหนังสองเรื่องมาปนกันเ ด, เดี๋ยวว่าไม่รู้เรื่องเดี<ม>ายวทสมาธิแล้วต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌาน<ม>ก็จะได้มีกําลังมีวิเวขามีกําลังที่จะตัดกิเละแล้วพออกจากออกจากสมาธิมาก็าพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ก็ะจะได้ใช้ไตรลักษณ์นี้มาหยุดกิเลสแต่เห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงก็ต้อง เราต้องหยุดความอยากให้มันไม่อยากให้มันเที่ยงพอเราหยุดความอยากให้มันเที่ยงได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลามันไม่เที่ยงแต่ต้องมีแต่ต้องมีกําลังมีโอเบขามีสมาธิถึงจะหยุดความอยากได้ค่ะต้องทํำคนละตอนกันค่ะพระอาจารย์เข้าใจยังเข้าใจค่ะอคขอบพระคุณค่ะ อาจารย์อย่างสมมติว่าเราเราคิดตอนนี้เรายังไม่ได้นั่งสมาธิค่ะเหมือนระหว่างวันสมมติจิตมันผุดคิดขึ้นมาว่ามีบุคคลหนึง่งยืมเงินเราแล้วไม่คืนเดิมทีเราอาจจะโกรธเขาอย่าเงี้ยค่ะแต่พอกลับมาคิดว่าผิดที่เราถ้าเราไม่ให้เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ น้องหดูที่ว่าผลเั็นไงใจสบายขึ้นรึเปล่าจ้าค่ะสบา ย, บายขึ้นก็ถูกถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกแล้วแบบนี้เขาเรียกเป็นปัญญาทางธรรมหรือปเป็นปัญญาทางโลกเจ้าค่ะก็เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็เห็นว่าเป็นปัญญาเห็นว่าเราโง่อย่างเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราไปเชื่อเขาแล้วเขาไม่ทําตามที่เขาพูดเราก็เลยถูกเา้าหลอกจ้าค่ะ แต่จะเรียกว ok ่เป็นปัญญาระดับโลกกัะานระดับโลกธระทำเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่ถ้าปัญญาระดับโลกียะก็จะไม่เกี่ยวเรื่องเงินทองจะเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตอันนี้ถึงจะเป็นเป็นปัญญาระดับโลกุตละแต่ถ้าบัญญาเกี่ยวกับราบยศสรรเสริญสุดเจวคนนี้คนนี้มันถือว่าเป็นปัญญาทางโลกอย่างอย่างสมมติว่า มีคนทํานิสัยไม่ดีใส่เราแต่เราพิจารณาว่าอ๋อพื้นฐานชีวิตเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่โกรธเ้าแบบนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมจ๊ะคะมันก็มันก็เป็นปัญญาเนกันแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกอย่างนี้เาะนไมไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนัยของเราจ้าโอเคสาธุจ้า่ะวันแล้วเนะหรอวันน้นจ้ า, แ, จาแต่วันแล้วก็เวลาก็หมดพอดี